พระธรรมเทศนาแผนที่7จ็ดดลำดับที่10โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงคำในวันที่23กรกฎาคมง2558มีชื่อเรื่องว่าอยู่ด้วยความสามัคคี วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสาก ร, รกฎาคมพุทธศักราช2 5งพหรห้าสวันนี้เป็นวันพระขึ้นแปดค่ำเดือนแปดวันพระหน้าเป็นวันแปดเพนเป็นวันอาศ ร, รหบูชาแล้วก็วันแรมค่ำหนึ่งเป็นวันอธิษฐานพรรษาของพระสงฆ์ เพราะนั้นวันนี้เป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราอย่างทุกวันที่ผ่านมาทุกวันพระเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านถึงวันพระอย่างนี้และเป็นวันปฏิบัติธรรมเป็นมาแต่ครั้งพุทธกาลครั้งพระพุทธเจ้าความเป็นมาของวันพระก็คือพระเจ้าพิมพ์พิสาร พระพุทธองค์เสด็จประทับที่กรุงราชคือจากนั้นพวกศาสนาอื่นของเขาเขาก็หาวันเวลาแต่ละศาสนาอย่างพวกกอทุกวันเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์อย่างเนี่ยแต่พุทธศาสานาจะทำเอาวันไหนพระเจ้าพิมพิสารก็กราบทูลพระพุทธเจ้า ว่าควรจะเอาวันพระแปดค่ำสิบห้าค่ำเดือนหนึ่งสีค่ค่ำเดือนหนึ่งสีค่ำพอเหมาะไหมพระพุทธองค์ก็อนุมัติตามที่พระเจ้าพิมพิสารขอว่าเหมาะสมที่จะให้คณะพุทธบริษัท4มาพบ เจอกันแล้วก็ได้ฟังธรรมัตสวนณะเป็นผู้กล่าวทรรมแนะนำสั่งสอนซึ่งกันและกันถอยทีถอยอาศัยเพราะสมัยนั้นในครั้งพุทธเจ้าพระรหัทสาวกมีมากพระรหัสมีมากที่แนะนำสั่งสอนซึ่งกันและกันบางทีพระพุทธองค์ก็ให้องค์อื่น เป็นองค์แสดงธรรมแทนพระองค์ก็มีมากเป็นบางครั้งแต่บางครั้งกับพระองค์เป็นองค์แสดงเองแต่ถึงยังไงพระในครั้งพรธเจ้าเจ้าไม่ใช่ว่าจะเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทุกองค์ก็ไม่น่าเป็นอย่างนั้นอีกเหมือนกัน เพราะว่าในตำราในพระไตรปิฎกพระที่เกเลก็มีในคลังกนูลไม่ว่าคลังกนุนไม่ว่าครั้งนี้เพราะนั้นเรื่องพระไม่อยู่ในโอวาทของพระพุทธเจา้าก็มีบางทีพระองค์ก็อ่อนพระทยใจจนไม่กล้าที่จะพูดก็มีเพราะว่ากล่าวออกมาเตือน แล้วก็ไม่ฟังนะองค์ที่ดือด้อๆจริงๆนะพระในครั้งพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธการเพราะฉะนั้นพวกเรามาถึงยุคนี้สมัยนี้ถ้าหากว่ามีอะไรเกิดขึ้นเราก็จะไปคิดเหมาทีเดียวว่ามีแต่พระในยุคนี้สมัยนี้ที่ไม่ฟังหลักพระธรรมวินยัยไม่อยู่ในกฎระเบียบ ไม่อยู่ในโอวาทของมหาเถระหรือว่าไม่อยู่ในโอวาทหลักพระธรรมวินยัยปฏิบัติออกนอกรูนอกทางพวกเราอย่าไปคิดเหมาอย่างนั้นตามปกติมีชั่วอยู่ที่ใดก็มีดีอยู่ที่นั่นมีดีอยู่ที่ใดก็มีชั่วอยู่ที่นั่นมันเป็นของคู่กันมาแต่สร้างโลกดีกับชั่วบาปกับบุญ คุณกับโทษมันเป็นสองอยู่มาอยู่ตลอดเพราะนั้นพวกเราได้ท่ารู้ทั้งสองเงื่อนนี่แล้วพวกเราก็จะวางสำหรับตัวของเราเราจะวางตัวเป็นคนดีหรือจะเป็นคนเลวจะเป็นคนชั่วหรือจะเป็นพระชั่วหรือจะเป็นพระดีอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องมองตนเองอที่พูดให้ฟังนะี่ก็เนี่ย พระในครั้งพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อได้อ่านได้ศึกษาให้ฟังให้ชัดเจนก็คืออย่างพระชันะพระชันนนี่ก็คือเป็นคนของพระพุทธเจ้าเองคือก่อนที่พระพุทธองค์จะเสด็จไปชมสวนอุทยานก็นายชันนนี่แหละเป็นนายสาร ถ, ถีเป็นผู้ขับรถมา้านำเสด็จ แต่เมื่อพระ อ, องค์จะเสด็จออกมาทรงพนวดก็มี น, น, นายชนะเป็นผู้เกาะท้ายลังท้ายคือม้าขันทกะที่หนีออกจากเวียงวังกลางคืนก็ น, น, นายชนะเป็นผู้ซ้อนท้ายพระพทธ อ, องค์นั่งแล้วก็นั่งม้าขันทกะ โดยถ้าจะว่าไปก็คือสามชีวิตคือมาถขันธกะและกสิษฐะลักฉะนนะหนีออกจากเวียงวังในคืนในคืนที่เธเด็จออกจากกรุงราชคือไปถึงแม่น้ำอโนมานาทีจากนั้นพระองค์ก็ได้ทรงประนวดในบวชตัดพระโมรีคือตัดผม ด้วยพระแสงดาบคือนําพระแสงดาบไปด้วยคืออาวุธประจํากายเมื่อทรงถึงที่แล้วพระองค์ก็ใช้พระแสงดาบตัดพระโมดีคือผมที่มุ้ยเอ๋ผมที่เก้าผมที่เป็นมุ้ยผมตัดกระบอบให้ชนะทั้งพระแสงดาบทั้งเครื่องประดับทั้งเครื่องทรงต่างๆกระบอกให้ชนะหอ เสร็จแล้วก็อนายชนะก่อนได้นั่งม้าขันตะกะแต่มา้าม้าขันตกะเป็นม้าแสนรู้พอเห็นไม่มีเจ้านายนั่งอยู่บนหลังม้าตัว น, นั้นก็วิตกกังวลเพราะไม่เห็นเจ้านายผลในสุดม้าตัว น, นั้นก็เลยหัวใจแตกตายในเมื่อผ่านพระเนตรประการของพระพุทธเจ้าคือผ่านพระเนตรประการของ สิท ธ, ธะที่เป็นเจ้านายของตอนเองจากนั้นนายชนะก็ได้นําเครื่องประดับของสิท ธ, ธะกลับมาเพียงหวังนี่แหละอันนี้ก็คือความเป็นมาของพระสาวพระพุทธเจ้าจากนั้นเมื่อพระองค์ได้บวชได้ตัดรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนายชนะก็ได้ตามไปบวช ด, ด้วย ไปไปบวชแต่ไปบวชคราวนี้ก็คงจะไม่ใช่บวช ด, ด้วยศรัทธาทีเดียวแต่คค่ะว่าไปบวชเห็นเขาบวชท่านก็คงจะบวชเพราะท่านเป็นผู้นําพระพุทธเจ้าไปทรงผนวชตอนนี้พอท่านบวชแล้วท่านก็นยังถือเอกสิทธิ์ถือสิทธิ์ว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเราเป็นผู้นํอ เป็นผู้นำมาบวชจนได้ตัสรู้เป็นผู้มีชื่อเสียงโดง่งดังเป็นที่ยอมรับของคนทั้งหลายพอบวชแล้วก็ยังถือทิฏฐิมานะตัวนี้เพราะว่าทางพระอักครสาวกกวดีพระเถระต่างๆกัจปะอานอน์ก็บวชก่อนแต่ชันนาเนี่ยไม่ยอมก้มหัวให้กับใครเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็น ผู้นำพระพุทธเจ้ามาบวชเพราะนั้นถือศิตตัวนี้แหละไปนักสถานที่ใดกดด่าคลออ้ายๆว่าพูดแบบข่มคู่พบ ด, ด่าเนีแหละภาษาวกออท่านผู้ใดก็ตามเนี่ยทั้งหมดนั่นะหละออแต่ก่อนไม่เห็นหัวออแต่มาบัด น, นี้เนี่ยพอพระพุทธเจ้ามีชื่อมีเสียงโด่งดังขึ้นมา แสดงตนปรากฏุ่เนี่ยข้าเนี่ยเป็นพระสําสคัญโหมดราสาริบุตรกัสปาานนท์ประกาศแต่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าทําไมพวกนี้มันหายหัวไปไหนแต่บัด น, นี้พอได้พระพุทธเจ้าได้มีชื่อมีเสียงขึ้นมาแล้วเนี่ยโหหัวโผล่ออกมา ม, มีแต่คนแสดงแต่นี้พระสงฆ์ได้ยินก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้า บอกว่าพระฉันนาเนี่ยพูดไม่เหมาะสมเป็นการปรหามาทเป็นการข่มขู่เป็นการไม่เห็นความไม่ให้เกียรติต่อพระที่มีอาวุโสที่เป็นพะระเถระที่พระพุทธองค์ได้แต่งตั้งเป็นอัครสาวกหรือว่าสาววกของพระพุทธเจา้าพระพองค์ก็เรียกฉันนะมาฉันนะเธอพูดอย่างนั้นไม่ได้นะไม่ทูก เนี่ยพระเถระทั้งหลายทั้งปวงที่บวชเข้ามาเนี่ยเป็นบัณฑิตทั้งนั้นเธอควรจะเข้าไปกราบเข้าไปหาบัณฑิตมันจึงจะถูก เ, เธอจะไปพูดอย่างนั้นไม่ได้นะเธอต้องคบค้าสมาคมกับบัณฑิตบัณฑิตอเซวานาเจบาลานับัณฑิตาให้ท่านคบบัณฑิตนักปราชญ์มันจึงจะถูก อย่าไปคบคนต่ำกว่าตนเองให้คบหาเลือกคบที่คนสูงกว่าคนที่สูงกว่าตนเองนั่นแหะให้เข้าไปคบเข้าไปคบค้าสมาคมเราจะได้ศึกษาเรียนรู้กับท่านที่เราท่านที่เหนือกว่าท่านอย่าไปพูดปาหมหารอย่างนั้นก่องเงียบพ อ, ย พ, กกพอพ้นสายพระเนตรพระกันพระพุทธเจ้า เอาออกยาเก้าพระพุทธองค์ก็เรียกมาอีกครั้งที่สองพออีกครองของมาอีกครั้งที่สามอีกพระพุทธองค์เตือนใครจะไม่เกินเตือนไม่เกินสามสามครั้งเตือนพอครั้งที่สามเตือนไม่ฟังท่านก็เรียกพระอานุ์พระสงฆ์มาดูก่อนส่งเราเตือนฉันหน้าเนี่ยไม่ได้หรอกเราเตือนไม่ได้เขาไม่ฟัง พระพุทธยอมพระพุทธเจ้าก็ยอมแพ้เหมือนกันนะไม่ใช่ธรรมดาในะคนในะยุคสมัยนั้นทั้งที่ตั้นเป็นต้นศาสราเป็นต้นพระพุทธศาสนาถ้าไม่แงกําปังกับใสามาตรการเด็ดศาดใสอิทธิฤทธิเข้าไป <c oughs> <c oughs> ก็น่าจะเป็นอย่า ง, ง น, นั้นนี้พระพุทธเจ้าก็ยอมแพ้ทิฐิมารณของพระเหมือนกันแต่ทนี้พระองค์บอกว่าดูก่อนสงฆ์ทั้งหลาย เมื่อเราตถาคตผ่านไปแล้วเนี่ยตายไปแล้วปรินิพานไปแล้วนะพวกท่านอะไรค่อยจัดการนะกับชันนะเนี่ยให้ลงพมประทานนะให้จัดการลงพมประทานกับชันนะแต่เราอยู่นไม่ได้หรอกคล้ายๆกับว่าเหมือนกับเอหมามีเจ้าของนลักษณะอย่างนั้นแหละไปไล่ตีมันก็นไล่กัดคนนะเพราะอะไรเพราะมันอาศัยอาศัยคนอยู่อันนี้ก็เหมือนการอาศัยพระพุธทธเจ้าท่านก็มีทิฏฐิมานะพนอในสุด พระ อ, องค์ก็สั่งเสียกับพระสงฆ์พระสงฆ์อดทนจนพอแรงเหมอนกันไม่รู้จะทํำยังไงแต่ในก่อนที่พระพุทธเจ้าจะพรินิพพานในวันเดือนหกเพนธันก็นสั่งพระอานนท์เข้ามาพระอานนท์เข้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าดูก่อนพระพุทธเจ้ า, จาขคาที่ให้ตรงพรอมประทานกับฉันนะนะทําฉันไหนหนอคําว่าผ่อมประทานพระเจ้าขคาพระปีนครั้งแรกใช่ไหมไม่รู้จังทายังไงผ่อมประทาน พระองค์บอกว่าให้พระสงฆ์ระชุมกันก่อนเมื่อไปชุมกันแล้วบอกว่านี่นะพระพุทธเจ้าให้ลงพรหมทานกับฉันนะพวกเราท่านทั้งหลายพระพุทธองค์บอกว่าให้พวกเราไปชุมกันก่อนต่อไปนี้ถ้าพระพระฉันนะ จะด่าพวกเราจะด่าองค์ใดก็ตามอย่าไปนับอย่าไปให้ความสำคัญในการด่าของพระชนะแล้วก็พร้อมกันเราก็ไม่ให้ความสำคัญกับพระชนะด้วยพระชนะจะอยู่จะกินจะไปยมาที่ไหนก็ตามพวกเราจะไปแยแสยจะไปให้ความสนใจปล่อยไปจะทำอะไรจะด่าอะไรปล่อยไปเลย จะทำยังไงอยู่ยังไงแต่จะไปให้ความสนใจจะไปคบค้าสมาคมเนี่ยอย่าไปร่วมอยู่ร่วมฉันร่วมสังกกรรมร่วมพูดร่วมคุยด้วยองค์ไหนร่วมพูดร่วมคุยด้วยองนั้นก็นี่ยแหละลงผมปรันกนบองค์นั้นเป็นองค์ที่สองเองนะเอพอเสร็จแล้วสงลงมติกันแล้วก็เรียกพระฉันนะเข้าม า, าฉันนะ เข้ามาในถ้ำกลางสงฆ์พอถ้มสงฆ์พระอนุ์ก็ประกาศสวดประกาศต่อไปนี้ท่านช น, นะสมัครใจจะด่าองค์ไหนจะทําอะไรทําได้ตามสบายเพราะพระพุทธเจ้าพระีนิพานแล้วพวกเราพร้อมรับน้อมรับเพราะว่าให้ลงผมมทันพระองค์สั่งว่าให้ลงผมมทันกับช น, นะท่านช น, นะสมัครใจจะด่าองค์ไหน จะปริพาดองไหนจะข่มขู่องไหนตามสบายยกให้พวกเราทั้งหลายอย่าตอบอย่าโตอ้อย่าไปขม่มขู่แทนกับพร้อมกันพวกเราอย่าให้ความสำคัญกับฉันนะฉันนะจะด่าว่ายังไงจะทำยังไงจะอยู่จะฉันยังไงจะหลับจะนอนอยังไงพวกเราทนทั้งหลายไม่พูดไม่คุยไม่ยืนคุยไม่ให้ความสำคัญ ถึงพระฉันนะจะพูดเราก็จะไปตอบคําเฉยพูดดีพูดเลวอะไรก็ตามเราจะไปให้ความสําคัญกับชนะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเว้นเสียชนะเจ้าจกลับอกลับกิริยาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนนิสัยใหม่พวกเราจึงค่อยว่ากันแต่ถ้าว่าชนะยังใช้นิสัยเดิมอยู่พวกเราห้ามอย่าเข้าไปใกล้อย่าไปเสวนาอย่าไปพูดคุย อันนั่นแหละเพียงพระเสวพระชนะได้ยินเท่านั้นแ่ะยินพระอานุนพูดในท่ามกลางส่งพระพระชนนะหงายหลังอะไรวไหเป็นลมเสียใจเออเป็นลมฟื้นขึ้นมาเออแล้วก็นั่นแหะถามอีกว่าทำยังไงพระอนุนพระชนะพระพุทธพระอนุนบอกนะให้หลงผมมาทันเออจากนั้นพระ ฉันหน้าก็บอกครับผม อ, อผมยอมรับแต่ต่อไปนี้ผมจะไม่ทําอีกครับผมยอมสารภาพผมจะไม่พูดไม่ทําอะไรอีกผมจะเป็นพระที่ดีขอให้รับผมเป็นหมู่เป็นเพื่อนเป็นพักเป็นพวกอย่างเก่าเทักครับผม อ, อจากนั้นพระอา น, นุ์เห็นอากับกิริยาอ่อนน้อมพระอา น, นุ์กับพระสงฆ์เลยประกาศขึ้นมาว่าเอาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เราได้ถอนผมประทานออกจากท่านชนะเพราะว่าท่านชนะยอมแล้วจะไม่ทำอีกในเรื่องที่ผ่านานมาจากนั้นพระชนะก็เลยหยุดพูดจริงๆท่านก็ประกอบคุณงามความดีไม่นานท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระหรันทั้งที่นิสัยมรกผลนิพพานเป็นพระหันยังมีอยู่แต่ว่ากิเลสตัวนี้มันน่ากลัวจริงๆนะ น่ากลัวจริงๆทําให้เปลี่ยนแปลงได้ถ้าว่าไม่ใช่พระในครั้งพุทธเจา้าของเจ้าก็ไม่รู้จะลงนรกหลุมไหนอีกเหมือนกันองที่องค์ดาพระสาวกตกนรกไปครหลายรุ่นเหมือนกันแต่ฉันน่ารู้สึกว่าท่านกลับตัวกลับใจได้ท่านกนนี่แหละเป็นพระที่ดีจากนั้นท่านก็ภาวนาท่านก็ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผล เป็นพระอาริยบุคคลเป็นพระหานนี่แหละอันนี้แหละคือความเป็นมาของพระในครั้งพุทธกาลที่หลวงพ่อได้พูดได้ฟังเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีและตัวอย่างที่ไม่ดีตัวอย่างที่ไม่ดีก็คืออะไรให้พวกเราสํารวมระวังปากของตนเองการอยู่ด้วยกันมากน้อยพอพระพุทธองค์ท่านทั้งที่ท่านได้ตัด เป็นพระพุธทธเจ้าท่านดูแลวท่านก็ยอมแพ้คนที่มีทิฐิมานะทีเดียวจนกว่าพระองค์ก็ได้สั่งเสียไว้ว่าเมื่อเราผ่านไปแล้วปรินิพานไปแล้วให้พวกท่านทั้งหลายลงพมะชะพรมะทันลงโทษกับพระันนะที่ทำตัวอย่างนี้ทั้งที่พระองค์จะเป็นผู้ลงดาบเองปล่อยให้พระสงฆ์ลงดาบทีหลัง มาพิจารณาดูแล้วโอ้ไม่ใช่ธรรมดาและเครื่องทิฏฐิมานะาทิฏฐิมานะของพระนะเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันต้องมีความพร้อมเพียงมีความสมัครใกันรู้พวกเราได้ได้รับการศึกษามาแล้วอันไหนที่มันผิดอันไหนถูกรู้แก่ใจของพวกเราทุกทุกท่านเพราะนั้นสิ่งที่มันไม่ถูก เหพระในครั้ง พ, พระพุทธเจ้าเนี่ยเห็นพระช น, นะพระทั้งหลายก็ว่ามันไม่ทุกแต่ตัวเองว่ามันทุกพอในสุดกับพระทั้งหลายก็ได้ลงผมพระทันอย่างที่วาอจึงเห็นโทษจึงยอมแพ้อย่างเจนผู้ประพฤติปฏิบัติเป็นพระที่ดีได้นี่ยังดีนะท่านกลับตัวกลับใจได้ถ้า่ากกลับตัวกลับใจไม่ได้ ไม่รู้จะไปนระกหลุมไหนก็ไม่แน่เหมือนกันนี่แหละอันนี้เขาขอให้พวกเราทุกทุกท่านที่เขามาบวชในพระพุทธศาสนาให้ส้ำรวมปากให้ระวังระมัดระวังสิ่งที่มันไม่ดีให้รู้อย่าคิดอย่าทำอย่าพูดในเรื่องนั้น น, นพระในความในครั้งพระเจ้ามีความพร้อมเพียงสมัคีกันมีไหมเนะ พระพุองค์ยกย่องในการพร้อมความพร้อมเพียงสมัคคีในพระสงค์พระพรทธองค์ทั้งที่พ ร, ระพุทธเจ้าท่านเป็นต้นศาสนาต้นศาสนาท่านยังมาเย็บผ้ากับผ้าสาวกเป็นผู้ร้อยร้อยเข็มใส่บ่วงเข็มเอาได้ร้อยร้ยก้นเข็มให้ภิกษุเย็บผ้าจีวร อย่างนั้นก็มีในครั้งพุทธเจ้าท่านปาราบเรื่องพระอนุรธธุทธะเถระที่เป็นผู้ได้รับเนรุติปฏิสัมพิธาเป็นผู้รู้เป็นพระอรหันต์เป็นผู้รู้ดวงจิตใจของใครคิดยังไงนพระอนุรธธนุทธันเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายแต่ในท่านบวชเข้ามาแล้วจีวรของท่านเก่า จีวรของท่านคำคล่าท่านก็เอ๊จะหาจีวรที่ไหนดีนะนะีอท่านก็เดินเข้าไปในป่าช้าที่กองยักษ์เหยื่อทีขอ่ขอไปทิ้งของใครเขาว่าเป็นเขาทิ้งขยะบ้านขยะเมืองลักษณะอย่างนั้นจะมีผ้าเศษผ้าอะไรอยู่ในกองขยะไหมนะขนาดขนาดเป็นพระหันนะ ท่านก็ยังไม่ได้ขอไม่ได้ร้องกับใครแต่ตามไม่จริงคนในยุคสมัยนั้นก็น่าน่าจะน่าจะน่าจะถวายแต่รู้สึกว่าไม่มีที่ท่านก็เดินไปหาผ้าเนี่ยผ้าเศษในกองขยะทีนี้นางเทวดาอยู่ชั้นจาตูมชั้นดาวดึง เทวดาอยู่ชั้นดาวดนึ่งเคยเป็นแฟนเคยเป็นแฟนเก่าของพระอนุรุทธะทาบุญแล้วขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดนึ่งแต่ท่านก็มองเห็นก็คงจะมองกันอยู่ตลอดเทวดาก็เห็นมองพระอนุรุทธะท่านเ อ, อพระคุณเจ้านี่ต้องการอะไรเนอะทำไมเดินเข้าไปใน กองยักเ์เจือกองหาขยะเทวดาก็รู้เลยก็ไปท่านก็คงจะไปหาผ้าจากที่ไหนไอ้คงจะเป็นเทวดากับคงจะรู้จักเงินที่ตกที่หล่นอะไรก็ไม่ไม่ไม่ทราบแบบเป็นบุญเป็นบุญของเทวดาเทวเทวดาก็ไปหาผ้ามาเนื้อดีใหเป็นผ้าซาำ สผืนอา่าเป็นผ้าสามผืนเจ้าแล้วนางเทวดาเนี่ก็พระโพธเถร ะ, ท, ระท่านจะเดินมาทางนี้ละ เ, เทวดาก็เอาผ้าซ่อนไว้ในกองจักเกืยรโผล่ขึ้นมาแต่เงื่อนของมันเงื่อนของมันน่อยหนึ่งแต่เนื้อผ้าน่ยเอาอะไรกบไว้พระอนุรุทธาเดินไปไปเห็น ผ้าเนี้ยคงคงจะเป็นผ้าที่ใช้ได้อยู่มั่อท่านก็เลยชักดึงออกมากองจากกองยักเยื่ อ, อจากนั้นพระ อ, องค์พระ อ, อนุษ ธ, ธาก็ได้โอ้ผ้าไน้ดีอ่เป็นผ้าเนื้อดีใช้ได้โอ้ได้ผ้าบางสกุลอย่างอุกฤษอีกต่างหากได้มาจากกองยักเยื่อไม่ได้รับจากมือใคร นี่แหละพาบางสกุลของพระพระอรหรันตตระสาวกในครั้งพุทธกาลลักษณะอย่างนั้นเดีว๋ว่าถ้าทําอย่างนั้นได้ได้มาจากของอย่างนั้นเดี๋ยวว่าได้ของด้วยมาด้วยอุกฤษไขเขา้าแบบเลิศประเสริฐในการได้รับมารับผ้าบางสกุลมาแต่ใ้พอท่านได้รับพาบางสกุลมาท่านก็เตือนกาเปลี่ยนพระสงฆ์ในวัดป่าเชตตะวัน ว่าผมผ้าจีวรคล้ำคล่าผมขอให้สงฆ์ช่วยตัดผ้าจีวรพระสงฆ์ทั้งหลายก็ลงขันกันเลยถึงลง เ, เข้าหุ้นกันใครก็วัดลงแขกกันอะ่ะพอถึงวันแล้วก็นัดกันในวันนั้วก็ต่างองค์ต่างมามารวมกันพระในวัดป่าเชต ว, วันมีเท่าไหร่เป็นห้าร้อยองค์ จากนั้นพโมกคาราสาริบุตรกัสจปะอานน์มาพร้อมกันหมดพระมาหากัสจปะกะอยทางหัวแถวพระสาริบุตรกโยทางกลางแถวพระอานน์อยู่เป็นช่วงๆส่วนพโมกคาราเป็นผู้ไปหาของที่มันขาดเหลืออันไหนที่มันขาดเหลือท่านเป็นผู้มีเลสเนี่ย ท่านก็ไปหา ส, สแสวงหาทึงไหนที่มันขาดเหลือนะพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าจนะึงเสด็จไปนั่งอยู่อีกมุมหนึ่งเป็นผู้ร้อยได้ได้ใส่เข็มฟังฟังดูโนโอ้นารักน่าเคารพน่านับถือเลื่อมใสพระสงฆ์ในครั้งพุทธการคือความพร้อมเพียงสามัคคีกันนะมาพิรณาดู น, า น, า น, านนะคือความพร้อมเพียงสามัคคีของสงฆ์ตั้งแต่พระพุทธเจ้าตั้งแต่พระสงฆ์ทุกรูป มานั่งเย็บผ้าจีวรเย็บผ้าสบงเย็บผ้าสังคาติช่วยกันคนละขันคนละนั่นแหะท่านกบแบ่งกันเย็บแต่นางเทวดานี่็ไม่ได้นิ่งดูได้เข้าไปประกาศชาวบ้านอีกโอ้พระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสาวกสิทยิอนุสิ์ของพระองค์ กำลังทาจีวอรนขอให้พวกเราเอาอาหารไปถวายตาอ า, าอาหารเพนคือพระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยว่ า, าถ้าหากว่าเ ด, เดินทางไกลไปทางเรืออยู่มากด้วยการบิทธบาิไม่พอฉันแล้วก็จีวอรการการจีวอรฉันปรำพระโพชนะคือฉัน สองครั้งสันก่อนเที่ยงได้อันนี้พระองค์บัญญัติวินัยเพราะพระเหนื่อยในการเย็บจีบอลตัดจีบอลต้องใช้กำลังต้องใช้สมองแต่นี้นางเทวดาก็ไปบอกชาวบ้านชาวบ้านเขาขนอาหารมาด้วยความเคารพนับถือเลื่อมใสศรัทธาขนมาโอ้อาหารเหลือเฟือเลยท่นีพระสงฆ์ทั้งหลายก็ฉันพระตาหาร ก่อนเที่ยงพอฉันจะแย้าจีวรต่ออีกพระที่เป็นปุตุชนก็มีเนี่ยโอ้เอมพระอนุรุ ธ, ธาเห็นไหมทำอะไรอวดจักดาอวดบา ร, รมีของตนเองฮะมันมีนะไม่ใช่ว่ามีแต่ยุคนี้สมัยโน้นนะมันมนะียุคสมัยโน้นก็มีนี่แหละตามไม่จริงอาหาร มันก็ไม่น่าจะขนาดนี้อันนี้ขนมาเพื่อให้ตัวเองให้คนทั้งหลายรู้ว่าเนี่ยอนุรุทธะนี่นะบุญหนักสักใหญ่นะบุญบรมีมีมากนะเห็นไหมเหลืออยู่เหลือ ก, กินเย็บผ้าจีวรเท่านี้อาหารมันกองเผลนเถินเถกออกมาทำไมมากมายนักหนาแสดงว่าอยากได้หน้าอยากจะให้ประกาศให้เขารู้ว่าตัวเองเป็นผู้มีบุญหนักสักใหญ่พระผู้ชนุน มันไม่ใช่ธรรมดานะคณะสัาาตยาธโยมลูกหลานผานเนน ะ, อ, ะอันทำดีเขาก็ตาหนิทำไม่ดีเขาต่ถ้าอดอยากเขาก็ตาหนิโอยทำไมพระอนุรุท ธ, ธะพระพุทธเจ้าพร้อมขอพระสงฆ์มาฉันมาเยผ้าขนาดนี้เนอะอาหารก็พเพาะมาหลอมมาแหลมเลยทำได้เนอะทั้งที่ตัวเองก็มีสัาาตยาิโยมมากมาย ก็จะว่าไปอย่างนั้นอีกทำมากเกินไปก็ต้ํานี้อีกนึ่นั่นแหละพอนักคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกมันมันเป็นลักษณะอย่างนี้จากนั้นพระแอนุรนตรุธท่านก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนเอาอาหารมาแต่อาหารบะเลินบะเลิกจริงๆเหลือลอยู่เหลือฉันกองอีกพอฉันเสร็จแล้วฉันไม่หมดเอาไว้กองเต็มไปอีก ส่วนพระโมกคลาคนนั้น่ะไปเอาผลสมพูมาจากป่าหิมพานมาสมพบเขาอีกสมพูใหญ่ฮ mm hmm. ถวายพระสงฆ์อีกในการเย็บผ้ายีวอนคราวนี้เพราะอาหารมัน ม, น ม, น ม, นมาทุกทิศทางพระสงฆ์ทั้งหลายกระพูดโอนะ้เห็นไหมอนุรุธทธานอวดจักรดาบา ร, รมีของตัวเองพระพุทธเจ้าท่านพระพุทธองค์รู้ ว่าพระสงฆ์เหล่านี้นะพูดแบบแบบนี้มันพูดแบบไม่สร้างสรรพูดลักษณะดูถูกพูดลักษณะที่ว่าพระมุกพระอนุรุธทธาเนี่ยไปแผ่ไปขอจัดททย า, าตโยมไปขอเข า, เามาขมาเลี้ยงนยจนให้เหลือเฟือฟุ่งเฟย อ, อย่างมากเกินความจำเป็ น, นพระองค์บอกว่าดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายพวกเธอสนทนากันอะไร พรสงอากาศทูลวันเนี่ยพวกข้าพระองค์พระอนุรทธะเนี่ยไปเอาอาหารมาเหลือเฟือเกินความจําเป็นทําไมออแสดงว่าอวดศักดาบารมีว่าตัวเองเป็นผู้มีบุญรู้จักกับคู่คนมากเขาเนี่ยขนอาหารมาเอจนเกินความจําเป็นปรพระพุทธองค์บอกว่าไม่ใช่นะสงฆ์ทั้งหลายคําว่าพระขีณาสพทั้งหลายเนี่ยคําว่าแผ่ขอ เลี่ยไรโพดเรียบ เ, เคียงที่จะได้อยากจะได้ทรัพย์สมบัติของผู้อนะื่นไม่มีในหัวใจของพระขีนาศพอันนี้เป็นบุญบา ร, รมีหรือว่าเป็นเทวดาที่เป็นนางเทวดาอยู่บนสวรรค์เขาออกไปบอกชาวบ้านชาวบ้านเขาก็นะได้ยินจากเทวดาบอกแต่เขาไม่ได้แสดงตัวว่าเป็นเทวดานะเป็นมนุษย์นี่ะ อไปหาบอกกล่าวพวกเขากเกิดศรัทธาเพราะว่าอนุรุธท่าเป็นใครเขาก็ได้เอาอาหารมาคนละไม้คนละมือแต่พอมารวมกันแล้วมันก็มากเองออะต่างคนต่างเอามาเพราะนั้นอาหารนี่ไม่ใช่โมกไม่ใช่อนุรุธทธานะอเป็นผู้บอกเป็นผู้แนะนะมันเป็นเรื่องของเทวดาเป็นเรื่องของบุญส่วนหนึ่งนะ พวกท่านทั้งหลายคำว่าขีนาศพผู้หมดจดจากกิเลสแล้วจะเป็นผู้เลียดลายจะเป็นผู้ขอจะเป็นผู้เรียบเคียงอขอทรัพย์สมบัตขิของคนอื่นนะไม่มีหรอกอมีแต่แนะนำให้ทำกระทำเพื่อสาธารณะเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลใสจิตใจของเขาเท่านั้นเองพวกท่านทั้งหลายอย่าเข้าใจผิด จากนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายปุถุชนทั้งหลายก็จึงได้เข้าใจว่าอมืมันเป็นนางเท ว, วดาเป็นผู้บอกกล่าวนี่ลหละคือเรื่องอย่างนี้เมื่อในนาไม่มาในพระไตรปิฎกอย่างนี้อันนี้ก็คือความพร้อมเพียงของหมู่ของคณะตลอดถึงพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้มองดูดายในการทำ เย็บผ้าจีวรเพียงเย็บผ้าจีวรเท่านั้นน่พราะพระพุทธเจ้ายังให้ความสำคัญมานั่งร้อยเข็มให้พระภิกษุพระอัครสาวกพระสาวกทั้งหลายเขามาช่วยๆกันคนละไม้คนละมือจนผ้าจีวรจีวรสำเร็จรูปล่วงกเรื่องจีวรเป็นเรื่องใหญ่ไม่เหมือนสมัยทุกวันนี้ทุกวันนี้ใช้จากเย็บผ้าเพลิดเดียว ไม่เท่าไหร่ก็เสร็จแล้วแต่ละแต่ละวันไม่ต้องใช้คนมากอีกต่างหากนี่แหละอันนี้ก็คือยกให้ฟังก็คือยกให้พวกเราท่านทั้งหลายศึกษาก็คือความพร้อมเพียงสามัคคีเรื่องแรกก็คือเรื่องพระชันนะ อ, อ, อยากจะด่ายอยากจะกล่าวออกไปนะั้นอันนั้นหน้าตำหนีิแต่พระอนุรุทธานี่พระสงฆ์ทั้งหลายถึง เต็มวัดพระเชตวันถึงเป็นพระถึงห้าร้อยมาช่วยกันเย็บผ้าจีวรลงแขกกันอันนี้แหละควรจะศึกษาควรจะปฏิบัติตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าที่ท่านเป็นประธานในการทำจีวรให้พระอนุรด h t เถระนี่แหละขอให้พวกเราทุกองค์ที่มาบวชในพระพุทธศาสนาที่เป็นพระเกา่าพระใหม่กันมองกัน ในแง่เหตุในแง่ผลให้รักเมตตากันให้เอื้อเฟื้อเอื้ออารีต่อกันให้สงเคราะห์อนุเคราะห์กันอันไหนขาดเหลือขาดตกอยู่ในวัดของเราองค์ที่มาใหม่ไม่รู้กระยิบยื่นให้เอออันนี้เอาไปใช้นะอันนี้เป็นของใช้สมุยาซีฟันผ้าอันไหนผ้าเก่าต้องดูองค์ไหนที่ขาดเหลือขาดตกทยยับไม่ได้ทําเอาทำให้ แต่เป็นตัวอย่างองค์ที่เป็นพระใหม่ก็ เ, เหมือนกันก็ให้มีน้ําใจให้เคารพพระพระรุ่นพี่ที่มาบวชก่อนถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนี่แหละการอยู่ด้วยกันถึงจะ ม, มากน้อยกอ็ร่มเย็นเป็นสุขทั่วนหน้ากันและก็พร้อมกันมีไม่ใช่แต่ความพร้อมเพียงสมรคีเท่านั้นให้ตั้งอกตั้งใจภาวนาปฏิบัติ ครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อแนะนำสั่งสอนอย่างไรพวกเราอย่าไปคุยกันต่างองค์ต่างอยู่คุยเป็นเวลาตอนเช้ามาก็มีโอกาสอยู่แล้วคุยกันพอประมาณอย่าไปคุยกันแห น, น, นกันแหนกันอย่าไปทำอะไรถ้าหว่ามันไม่ดีอย่าไปล้อเล่นกัน พอล้อเล่นกันเป็นโอกาสที่จะทะเลาะวิวาดกันได้ง่ายเมื่อทะเลาะกันไปเป็นเรื่องใหญ่เใครเข้าว่าไม่เข้ากันไม่ได้ก็ตลาสีขาไปแล้วก็ยังเข้ากันไม่ได้เราจะไปสร้างอริัตรูในวัดให้เป็นมิตรเป็นสหายกันไว้ดีกว่าให้มีเมตตาต่อกันมีอะไรก็เอาห่วนข่วนกันต่อไปภายภาคหน้าบางทีเราอาจจะได้พึ่งพาอาศัยกัน อยู่ที่ไหนที่ไหนคนหนึ่งอยู่ที่นั่นคนหนึ่งจะนี่ผลที่สุดกับไปพึ่งพาอาศัยกันได้เราไม่ใช่จะอยู่ที่เดียวเมื่ อ, อไรสิ่งเหล่านี้เราต้องมองไกลๆการอยู่ด้วยกันการมาศึกษาธรรมะเป็นญาติธรรมมีญาติมิตราหายไว้มา ก, กดีกว่าที่จะอยู่คนเดียวถ้าว่าอยู่คนเดียวเวลามีอะไรเกิดขึ้นน่ะไม่รู้จะวิ่งไปพึ่งพาอาศัยใครถ้ามีหมู่พกเพื่อนมีมาก คนหนึ่งอยู่ที่นั่นคนหนึ่งอยู่ที่นี่บอกไปหากันต่างคนก็ต่างช่วยกันในการดูแลชึ่งกันตกันพึงพาอาศัยกันไม่ดีกว่าเหรอสิ่งเหล่านี้ขอฝากไว้กับพระดูกพราหมณพระทุกองค์ผู้ที่จะรำงรงรงศ์าสนาก็ต้องอาศัยพวกเหล่านั้นที่พวกเข้ามาใหม่เป็นทายาทของพวกเรา ต่อไปภายภาคหน้าเมื่อลาสิขาไปแล้วเรามีความจําเป็นจะต้องให้พกทิศพวกจานช่วยอะไร เ, เราก็พร้อมที่จะพูดได้ไม่ใช่ว่าไปเป็นพระเข้ามาแล้วก็วางกล้ามทะเลาะวิวาทกันไปหมดมาเหตุความเอื้อเฟื้อเอื้ออารีกับใครอย่างนั้นไม่ดีนะพูดว่าไม่ดีฮควรจะพึ่งพาอาศัยกัน และก็พร้อมกันในขณะที่อยู่ในพรรษาเราบวชมาเพื่ออะไรที่เป็นนวักกะก็ดีเป็นพระเ ก, ก่าก็ดีเรามาอยู่ในพุทธศาสนามาเพื่อบำเพ็ญบำพันธ์บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาศีลคืออะไรคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยศีล ส, สองอยยสิบเจ็มีอะไรบ้างอันนี้เราก็ศึกษาศีลมาในพระปฏิโมกเราต้องอ่านสิกขาบทวินัย ของพระพุทธเจ้าในนวโกวดัดเราอ่านให้เข้าใจเรื่องศิลจากมันเรื่องสมาธิศิลเนี่ยเป็นของหยาบนะเป็นของหยาเรล่องศิลเพราะเรามันอยู่ในตำรับตำราแต่เรื่องสมาธิเหมนเป็นแนวความคิดทางด้านจิตใจจุดนี้ก็ได้ยินฟังได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์จากหลวงพ่อเนี่ยนะเรือว่าธรรมเทศนาของหลวงตา เร่าหนังสือเล่มไหนที่เราอ่านองค์หนึ่งได้อ่านขึ้นมาแล้วก็น่าจะยืน่นเออหนังสือเล่มนี้อ่านดีนะดึงสมาธินะออหมู่พกเพื่อนได้อ่านไหมอ่านอ่านดูนะถ้าใครได้อ่านเล่มไหนเ อ, อเป็นคติตัวอย่างเป็นที่ซึงใจสําหรับเราเราก็ควรจะให้พวกเพื่อนเพื่อนได้อ่า น, ไ ด, านได้ศึกษาในพวกเพื่อนได้อ่านได้ศึกษาแล้วก็เออตัวนี้นหะ มันถูกต้องไหมถ้าสงสัยเอามาถามหลวงพ่อด้วยสิหลวงพ่อเราหลวงพ่อจะให้ความเห็นว่ายังไงที่เราเห็นว่าดีใช่ดีหรืว่าเราว่าดีแต่ว่ามันถูกไหมเนี่ยถูกตามแนวปฏิปทาของหลวงพ่อเราสอนไหมหรือ ว, ว่าแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นสอนไหมเนี่ยอย่างนี้หรือจะมีชิกแจ็คมีชั้นเชิงเล่เหลี่ยมยังไงในการอ ข้อถามนี้เิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้พวกเราเข้ามาศึกษาศึกษาและก็ต้องถามไทยว่าอันไหนเป็นอันไหนหลวงพ่อก็จะได้ชี้แจงให้พวกพระลูกพระหลานได้ฟังได้ศึกษาจากนั้นจะได้เดินทางตรงตามแนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวแต่ถึงยังไงข้อตาม พวกเรามาอยู่กับวัดหลวงพ่อนะอย่านำเอาแนวปฏิปทานทานปฏิปทาสายอื่นมาบริกรรมมาปฏิบัติบางทีเอาโยคะผักบางทีเอาเรื่องอะไรตรวมิอะไรนอกลูก้นอกทางเข้ามาปฏิบัติเผอเผลอเป็นบ้าเข้าไปทีอแล้วจะมาตาหนิหลวงพ่อหลวงพ่ออินเนี่ยสอนลูกศิษย์ลูกหาเป็นบ้าเพราะลูกศิษย์ลูกหาเนี่ย อยากจะเป็นบ้าไปเอาแนวปฏิปทาของออกคูบาอาจารย์อาจารย์องค์อื่นนอกรูนอ ก, ก, นอกทางแล้วมาปฏิบัติมันก็เป็นบ้าเลยสิสมมติว่านั่งภาวนาจิตใจสงบลงไปแล้วเนี่ยไปเห็นนิมิตให้ดูนะบางองค์ให้ดูนิมิตนะติดตามดูนิมิตนะนั่นแหละมันเป็นหนทางแห่งทางบ้าอะไรทีไ แต่ตามไม่ยิงสายลงปูมันธันโบรหยุดนะอย่าไปดูนะเรื่องนิมิตนะอย่าไปตามดูนะเป็นบ้านะเกิดสัญญาวิปลาสขึ้นมาได้ง่ายๆนะเพราะว่าเรายังไม่เคยเดินหยุดซะก่อนอย่าเพิ่งเดินจุดนั้นให้ดูให้ปฏิเสธอย่าไปให้ความสําคัญในเรื่องนิมิตเห็นก็สักว่าเห็นไม่ใช่เราไม่ใช่คองเราเป็นอนิจจังทุกขังอนันตาทั้งหมดนั่นแหละอย่าไปดูนะ อันนี้คือแนวปฏิบัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เสียงเหล่านี้แหละที่เราไม่เคยปฏิบัติถ้าเห็นเจออะไรเข้ามาเอในความรู้สึกของเราให้ถามอโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งให้ถามหลวงพ่อหลวงพ่อจะชี้แจงฟังเอออันนี้ถูกแล้วเอออันนี้พวกเราทั้งหลายทํานี้ถูกแล้วอันนี้เออต้องระวังนะตัวนี้นะออถ้าว่าเราปฏิบัติไปนมนาน จนชำ น, นิชำ น, นานแล้วเนี่ยทำได้อย่างนี้นะถ้าว่าเราเป็นผู้ใหม่อย่ารานะถ้าคำขืนหลงทางได้ง่ายๆจุดนี้มันเป็นห้นทางหลงทางได้ง่ายๆแนละจุดนี้นะอันนี้ถึงทางด้านจิตใจเรื่องจิตภาวนาไม่ใช่ว่าเป็นของได้ง่ายๆนะพวกลูกพัลูกพัลลาน้นองนุง่นงทั้งหลายจะทา ย, ยาตโยมนะเพราะนั้นเรื่องจิตภาวนาแต่หลวงพ่อก็มีแต่แนะนำมาว่า ให้ภาวนาพุทโทอันนี้ไม่ผิดนะบริกรรมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอันนี้คือพยายามทำจิตใจให้สงบอันนี้ไม่ผิดทำให้มากเลยตัวนี้เจริญให้มากแต่เมื่อเราพิจารณาให้อยู่จิตใจในความสงบแล้วอยู่กับพุทโทแล้วแตนน่นำมาพิจารณาทางวิปัสสนาพิจารณากายพิจารณากายเวทนา ระบบพิจารณาอสุภะปฏิกูลพิจารณาธ า, าตุสี่ให้เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟพิจารณาอย่างไรอันนี้เนีเ่ยมันก็นมีอยู่ในธรรมหรือใน MP 3, ็มพีสามระแนวทีหลวงพ่อแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวก็เนีให้แนะให้ฟังเป็นระยะระยะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเก่าที่หลวงพ่อได้แนะนําบอกกล่าวไปแล้วถ้าว่าได้ยินพระใหม่องค์ไหนพูด พระเก่าก็ควรจะแนะนำบอกกล่าวให้ทำอย่างนี้อย่างนี้นะหลวงพ่อของเราสอนอย่างนี้นะไอ้สิ่งเหล่านี้พระเก่าก็ต้องเป็นหูเป็นตาช่วยๆกันเพราะพวกน้องเข้ามาใหม่น่ะอ้ยังไม่ได้รับการศึกษาไม่เวจนกว่าทำจนเสียหายจนเอาไม่อยู่แล้วจะค่อยมาบอกมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะนั่นสิ่งไหนที่มันผิด แปลกแตกต่างปิดหูปิดตาก็ต้องบอกเตือนเออเตือนเสร็จแล้วก็มาบอกให้หลวงพ่อได้ทราบแลยหลวงพ่อพระองค์นั้นเป็นลักษณะอย่างนั้นนะหลวงพ่อก็จะได้เรียกเข้ามาคุยมาสนทนามาบอกมากล่าวมาแนะนำหลวงพอ่อจะได้รู้แต่เริ่มต้นเริ่มแรกพนัละเรื่องจิตภาวนาเนี่ยบางสิ่งบางอย่างก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์ สรุปแล้วเรื่องจิตตภาวนานเรื่องศีลเนี่ยไม่ต้องศึกษาด้วยตนเองเรื่องสมาธิก็ยังหน่อยก็ยังศึกษาพิธีการที่จะทำจิตใจให้สงบก็ไม่เป็นเรื่องใหญ่แต่เรื่องวิปัชนาเรื่องทำจิตใจจุดนี้นะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ต้องศึกษาต้องอาศัยท่านผู้รู้เป็นผู้แนะนำ ถ้าว่าออกนอกลู่นอ ก, ก, นอกทางไปแล้วมันกูไม่กลับเหมือนกันพอที่ขอฝากไว้กับพระลูกพระหลานทุกองนะสรุปแล้วก็คื อ, อยานำแนวปฏิปทาของสายอื่นมาปฏิบัติในวัดของเราในวัดของหลวงพ่อในเมื่อมาอยู่กับหลวงพ่อต้องนำปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ม่นหลวงตา่ตวบแนะนาอย่างฟังอย่างที่หลวงพ่อแนะนำ ให้นำมาประพฤติปฏิบัติแต่ถ้าพวกเราฟังดูแล้วเอ้หลวงพ่อของเราเนี่ยกับบา ร, รมีของเราหรือว่านิสัยของเราเนี่ยไม่เข้ากาันหรอกอพวกเราเนี่ยต้องไปอย่างอื่นอันนั้นก็ออกไปหลวงพ่อไม่ได้ว่าเนะพราะมันมันไม่เข้าอมันไม่เข้ากันอออกไปอไม่ต้องอยู่ศึกออกไปเลยแล้วก็ไปบวชใหม่ ไปหาองค์อื่นที่เราต้องการจะอยู่ถ้าว่าเราจะอยู่ที่นี่ต้องศึกษาแนวปฏิปทาของที่หลวงพ่อแนะนําสั่งสอนไม่เข้าใจตรงไหนอย่างไรมาถามมาหลวงพ่อจะแนะนําบอกกล่าวพ่อหลวงพ่อเนี่ยไม่ได้สอนหน้าเดียวสอนมากมายก็ได้อ่านตํำรับตําราก็หลวงพ่อก็บอกว่ากรรมฐานของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่า กรรมฐานสี่สิบเท่านั้นมากกว่านั้นอีกที่จะทําให้จิตใจสงบพิธีการทําจิตใจให้สงบนั้นทําอย่างไรแต่เดินวิปัสนานั้นเดินอย่างไรกว้างขวางนะวิปัสนานะแต่เดินไม่ถูกเนะีเสียหายนะตัวนี้นะลืมลืมหลงตัวได้ง่ายๆนะแต่วิธีการที่จะทําจิตใจให้สงบนั้นทำยังไงอันนั้นเหมือนกันในเมื่อ จิตใจสงบแล้วมันจะเกิดวิปัชนาเองมันหลุดออกไปเองเป็นวิปัชนาเกิดปัญญาเองอันนั้นอย่าหวังเ่ยอันนี้คือแนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่าเมื่อจิตสงบเงไปแล้วต้องถอนออกมาจากสมาธิจากนั้นจึงนํามาพิจารณาพิจารณาอะไรหลวงพ่อก็เคยพูดไม่รู้กีก่ครั้งพิจารณาร่างกายพิจารณา ธาตุสีดิ น, น้ำลมไฟเพียรน า, นาอิสุภะปฏิกูนจนถึงเข้ามาถึงดวงใจมาถึงใจเมื่อพิจารณาเราพิจ า, นารณ า, า, าเรานั้นแล้วมันไม่มีที่ไปมันก็ต้องย้อนเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจออบางคนก็ภาวนาภาวนาภาวน า, า, วนาไปกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพอใ้สุดลมหมดมันหายไปตัวเองก็กลัวตายเอ๊ะทไมมันลมหมดสือหายใจใหม่อีก มันก็หยาบขึ้นมาอีกนี่นแหละแนวนี้อย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเมื่อเราภาวนาจิตใจออกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพุทโธพุทโธลมหมดไม่ต้องตกใจในเมื่อลมหมดใครใครรู้ว่าลมหมดใครรู้ว่าลมหายใครรู้ว่าลมไม่มีมันเป็นยังไง ใครใครเป็นผู้รู้ว่าลมมันหายไปนั่นแหละเอาสติไปจับอยู่ที่ใครผู้รู้ว่าลมหมดนะเอาสติไปจับอยู่จุดนั้นจุดที่ลมใครว่ารู้ลมหมดนะนั่นแหละไม่ต้องตกใจมันไม่ตายหรอกให้เอาสติไปจับอยู่จุดนั้นใครรู้ว่าลมหมดนั่นแหละจะเป็นยังไงต่อไปนั้น เราจะค่อยพูดกันอีกเพียงแต่ว่าจุดนี้ต้องเอาไปทำเป็นจุดนั้นนี่แหละอันนี้ก็คือเราได้ยินมากมายหลายๆคนที่ภาวนาไปแล้วเป็นลักษณะอย่างนั้นบางทีก็เป็นนิมิตออกมาอย่างนี้แต่ครูบาอาจารย์บางสายก็ให้ดูนิมิตตามนิมิต ด, ดูพอผลได้ชูหนหรอพอพอเห็นตาโหวตาโหลเข้ามาแล้วเพระอะไรเพรานอนไม่หลับ คิดมันจะเป็นบ้าเอาทีนี่มันออกนอกลูกนอกทางสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเนะี่ยท่านแนะนำสั่งสอนพาลูกพาหลานทั้งหลายนะยาตามนิมิตยาปล่อยไปตามนิมิตเมื่อไปเห็นนิมิตเออให้กลับมาหากรรมฐานเดิมไม่ต้องให้ความสําคัญเห็นได้สักว่าเห็นมันละเหมือนกับเราเห็นผูผาป่าไม้เห็นคู่เห็นคน เห็นสปปรรพสัตว์ทั้งหลายนะจะให้ความสำคัญทำไมเราเห็นมันได้อะไรเห็นแล้วเห็นช้างได้ช้างอย่างนั้นนะเห็นเงินของเขาได้เงินอย่างนั้นใช่ไหมมันไม่น่าดมันไม่น่าดได้อย่างนั้นเห็นแต่ศักดิว่าเห็นท่านั้นเองอย่าไปให้ความสาคัญในการเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดนี่แหละให้ปล่อยวางลงที่ใจอย่าไปให้ความสาคัญในการเห็นจะไปเห็นเทียวบูตเทียวดาอินพง เองแล้วหลอกเราก็ไม่ทราบเหมือนกันเอเราจะให้ความสําคัญผลทสุดถ้าเราเห็นอย่างนั้นแล้วต่อไปเราจะให้ความสําคัญนะสิเพราะให้ความสําคัญเนี่ยค่าเป็นบุคคลสำคัญใครไม่เห็นข้าพระเจ้าเห็นเห็นนะผลที่ถูกกันนะัอนลืมตัวเข้าไปแล้วสาคัญตัวเองผิดตัวเป็นบุคคลสําคัญเพอเปิเป็นบ้านไ ง, ง่ายๆอีกเหมือนกันในจุดนั้นเพราะเสิยงเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยหลวงพ่อเตือนไม่ใช่ว่าให้กลัวนะ เฮ้ยเปียดจะให้กลัวจะให้เดินให้ถูกทางเท่านั้นเองถ้าเดินถูกทางแล้วจะไปด้วยความเรียบราบราบรื่นเอออยู่ด้วยกันอยู่ด้วยความสงบเอเห็นจิตเห็นใจเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละวันนี้หลวงพ่อเองได้ให้แนะนําบอกกล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาแต่ในวิธีการประพฤติปฏิบัตินั้นหลวงพ่อก็ได้บอกไว้แล้วว่า นั่งขัดสภพะสมาธิเสร็จแล้วประนมมือไหว้ครูไหว้พระพุทธเจ้าพร ะ, พระพ ธ, รธรรมพระสงฆ์พุทโธธรรมโมสังโฆสามจบจากนั้นเอามือลงบริกรรมหายใจเข้าพุทหายใจอกโถนี่คือทำจิตใจให้สงบหรือนับหนึ่งสอสอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้กับพวกเราให้ได้ฟังต่อนี้ไปนั่งสมาธินะี่นนี่นะเอานั่งสมาธินะ่าจนกว่าได้รับคา บอกกล่าวต้องค่อยออกจากสมาธิ